หโลกนี้เต็มไปด้วยความปรุงแต่งแต่ว่างจากความเป็นตัวเป็นตนวงเล็บเปิด29มีนาคม2551ในวงเล็บหนึ่งจุดจุดนาที8วงเล็บปิดเราเรียนธรรมะก็ต้องรู้ว่าธรรมะมีสองพวกธรรมะอันหนึ่งเป็นธรรมะที่เกิดเกิดดับดับเป็นธรรมะที่มีเหตุปรุงแต่งขึ้นมาเป็นธรรมะฝ่ายปรุงแต่งธรรมะฝ่ายปรุงแต่งนี่เหตุกับผลมันจะตรงกันอีกธรรมะหนึ่งนะไม่เกิดไม่ดับ เป็นธรรมะฝ่ายไม่ปรุงแต่งครูบาอาจารย์เรียกว่านอกเหตุเนื้อผลไม่มีเหตุอะไรปรุงแต่งคําว่าในเครื่องหมายคําพูดเหตุในทางศาสนาพุทธนี่มีหกอย่างคือโลภะโทสะโมหะอันเป็นฝ่ายอากุศลกับอโลภะอโทสะอโมหะอันเป็นฝ่ายกุศลฉะนั้นเหตุที่เป็นกุศลเหตุที่เป็นอกุศลนี่เป็นตัวปรุงแต่งสังเกตใจเราสิใจเราก็ถูกกุศลอกุศลปรุงแต่งทั้งวันเท่าๆกันนะ ก, ก, กุศลเกิดก็ปรุงแต่งอกุศลเกิดก็ปรุงแต่งเช่นราคะเกิดก็ปรุงแต่งพฤติกรรมทางกายทางวาจาทางใจทางกายเช่นเดินไปหาสาวทางวาจาก็ไปจีบเขาทางใจก็ลุ้นว่าจะหลอกเขาได้ไหมฝ่ายกุศลเกิดได้แก่อโลภะก็คือวิราคะอโทสะมีเมตตาอโมหะมีปัญญาสิ่งเหล่านี้ยังปรุงแต่งอีกแต่ปรุงแต่งฝ่ายดี คนมีปัญญาก็รู้ว่าถ้าบรรลุมรรคผลนิพพานแล้วจะดีก็ดิ้นรนทําอย่างไรจะบรรลุมรรคผลนิพพานดิ้นรนว่าปรุงแต่งใหญ่เลยว่าถ้าทําอย่างนี้แล้วน่าจะดีเวลาที่พวกเราคิดถึงการปฏิบัตินะคิดตลอดเวลาว่าทําอย่างไรจะดีรู้สึกไหมพอนึกถึงเรื่องการปฏิบัติเราก็จะคิดว่าเราจะต้องทําอะไรสักอย่างที่มันดีๆแล้วก็ดิ้นรนค้นคว้าทําอะไรดีๆคล้ายๆจะแม่กวนอิมเอ๊ะไปสร้างบารมีอย่างนี้ถ้าจะดีนะ ไปทำความดีอย่างนี้น่าจะดีนี่ปรุงฝ่ายดีไปเรื่อยๆความปรุงแต่งฝ่ายดีมีผลเป็นความสุขความสบายเป็นภพภูมิที่ดีปราณีตเป็นสุขติความปรุงแต่งฝ่ายชั่วมีผลเป็นความทุกข์ความเดือดร้อนเกิดขึ้นเป็นทุกขติไปตกนรกเป็นเปรตเป็นอสุรากายเป็นสัตว์เดรัจฉานความปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงไม่มีตัวใดเลยที่นำไปสู่นิพพานนิพพานจะเกิดขึ้นได้เมื่อพ้นความปรุงแต่ง เพราะโลกนี้เต็มไปด้วยความปรุงแต่งแต่โลกนี้ว่างเปลา่าถ้าเห็นอย่างนี้นะจะไปนิพพานได้คือเห็นโลกนี้เต็มไปด้วยความปรุงแต่งเต็มไปด้วยของปรุงแต่งเต็มไปด้วยสิ่งปรุงแต่งเต็มไปด้วยการปรุงแต่งแต่ทั้งหมดนั้นว่างเปลา่าฉะนั้นถ้าสติปัญญาแก่รอบจะเห็นว่าโลกนี้ว่างเปลา่าว่างเปล่าจากอะไรว่างเปล่าจากการเป็นสัตว์เป็นคนเป็นเราเป็นเขาไม่ได้ว่างจากการปรุงแต่งนะ โลกนี้เต็มไปด้วยความปรุงแต่งแต่ว่างเปล่าจากการเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาวความปรุงแต่งก็มีของมันอยู่ตามเหตุตามปัจจัยของมันจะไม่ให้มันปรุงแต่งจะให้มันหยุดการปรุงแต่งไม่ได้สิ่งทั้งหลายก็เคลื่อนไหวไปจกักรวาลนี้ก็เต็มไปด้วยเหตุกับผลมีปรากฏการณ์มากมายนับจํานวนไม่ถ้วนเกิดดับเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นรวมลงมาแล้วเหลือสองอันคือรูปธรรมกับนามธรรมานั่นเอง รูปธรรมก็ไม่มีความเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขานมามธรรมไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขานี่เห็นอย่างนี้ฉะนั้นเราจะเห็นโลกนี้เต็มไปด้วยความปรุงแต่งแต่ว่างจากความเป็นตัวเป็นตนใจเข้าไปเห็นธรรมะอันนี้นะใจก็โอ้สิ่งที่พ้นจากโลกมีอยู่สิ่งที่พ้นจากการปรุงแต่งมีอยู่รู้ทันความปรุงแต่งจนกระทั่งจิตหมดความปรุงแต่งจิตมันเห็นทุกอย่างว่างเปล่าไปหมดแล้ว ตัวเราก็ไม่มีมันจะปรุงอะไรอีกล่ะถ้าจิตมันยังสำคัญผิดว่าตัวเรามีอยู่จริงๆก็ยังมีอวิชชาอยู่มันก็ยังปรุงไม่เลิกต่อไปเรามีสติปัญญาแก่รอบนะโลกมันก็ปรุงของมันไปตามเหตุตามผลของมันไปนะธาตุขันก็ทำงานของมันไปตามเหตุตามผลของมันแต่เราไม่เข้าไปข้องแวะด้วยต่างคนต่างอยู่ขันส่วนขันจิตที่พ้นแล้วจากขันก็อยู่ต่างหากไม่เกี่ยวกันจิตที่พ้นจากขันนะ หลวงปู่ดูลเรียกว่าจิตหนึ่งท่านพุทธทาสเรียกจิตเดิมแท้หลวงปู่บุตรดาเรียกว่าจิตเดียวหลวงปู่เทศเรียกว่าใจแล้วแต่คําสอนนะถ้าพูดอย่างอภิธรรมคือมหากิริยาจิตฟังแล้วใหญ่นะเรียนอภิธรรมเป็นระดับมหามหากิริยาจิตในความเป็นจริงก็คือเป็นจิตที่พ้นจากการปรุงแต่งเมื่อพ้นจากการปรุงแต่งมันก็ไม่หลงไปสู่ความเป็นคู่คู่เขาเรียกจิตหนึ่งจิตนี้ไม่ได้สนใจในความเจริญและความเสื่อม ไม่ได้หลงตามสุขและทุกข์ดีและชั่วหยาบและละเอียดภายในและภายนอกที่ใกล้และที่ไกลไม่หลงสิ่งที่เป็น ค, คู่ที่เป็นความปรุงแต่งของโลกโลกมันก็ไหลไปในสิ่งที่เป็นคู่จิตที่เข้าใจโลกแจ่มแจ้งก็เป็นหนึ่งตราบใด ย, ยังเป็นคู่อยู่สุขได้ก็ทุกข์ได้ดีได้ก็ชั่วได้อีกไม่พ้นหรอกฉะนั้นสร้างคุณงามความดีจนเต็มที่นะวันหนึ่งก็เสื่อมทาฌานสมาบัติได้ไปเกิดเป็นพรหม วันหนึ่งก็เสื่อมกลายเป็นพรมเช็ดเท้าไม่ใช่พรมที่ใครยกย่องแล้วคือลงอบายทําไมพรมส่วนมากตายแล้วไปลงอบายรู้ไหมเพราะเก็บกดมากเพ่งจิตให้นิ่งเอาไว้นะพอหมดแรงเพ่งเมื่อใดมันจะดีดกลับอย่างรุนแรงเลยจะฟุ้งมากกว่าคนทั่วๆไปหรือปรุงดีไปเป็นเทวดาใช่ไหมถึงวันหนึ่งก็เสื่อมปรุงชั่วไปเกิดเป็นสัตว์นรกถึงวันหนึ่งก็เสื่อมพ้นจากนารกขึ้นมาฉะนั้นมันจะเป็นของที่เป็นคู่ๆนะ เกิดขึ้นมาแล้วก็เสือเส่อมไปเสื่อมไปพออันนี้เสื่อมสลายไปคว้าอันใหม่มันก็เสื่อมสลายอีกถ้าเมื่อใดใจเราเห็นความเป็นจริงว่าทุกสิ่งเป็นแค่ความปรุงแต่งเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของเขาไม่ใช่ศาสตร์บุคคลตัวตนเราเขาตัวเราไม่มีพอตัวเราไม่มีตัวเขาก็ไม่มีแล้วมันมีตัวเขาขึ้นมาได้เพราะมันมีตัวเราขึ้นมาก่อนมีตัวเราปุ๊บตัวเขาก็เกิดเหมือนเราเดินไปนะแดดส่องมาปุ๊บ เงาก็เกิดพร้อมๆกันมีตัวเราปุ๊บตัวเขาก็เกิดค่อยเรียนค่อยฝึกเอาวันหนึ่งก็จะพ้นไปพ้นแล้วมีความสุขที่สุดเลยนะ